วันนี้ <c oughs> เป็นวันเสาร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2569 <c oughs> เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ยินดีในธรรมผู้ปรารถนารถแห่งธรรมได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปเพื่อจิตใจจะได้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียวธรรมะที่จะนำมาฝากท่านในวันนี้ก็คือเรื่อง การเติมกำลังให้แก่จิตใจจิตใจเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จำเป็นที่จะต้องมีการเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆรถยนต์ถึงจะมีกำลังที่จะขับเคลื่อนพาเราไปไหนมาไหนได้ถ้าเราไม่คอยเติมน้ำมันให้กับรถยนต์เดี๋ยวน้ำมันที่เราได้เติมมาไว้มันก็จะหมดลง เอาหมดลงแล้วรถยนต์ก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ไม่สามารถทําประโยชน์อะไรได้ก็ต้องจอดทิ้งไว้เฉยๆกลายเป็นเศษเหล็กไปจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันจิตใจของเราก็ต้องการเชื้อเพลิงต้องการน้ํามันเพื่อจิตใจของเราจะได้มีกําลังที่จะ ขับเคลื่อนที่จะได้นำมาไปใช้ในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปถ้าใจขาดน้ำมันของใจคือถ้าไม่คอยเติมกำลังให้กับใจอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่สามารถที่จะ ดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้เราจรึงต้องคอยเติมน้ำมันเติมกำลังให้แก่จิตใจน้ำมันของจิตใจคืออะไรที่เราจะต้องคอยเติมบ่อยๆเติมอยู่เรื่อยๆน้ำมันของจิตใจก็คือคุณธรรมห้าประการด้วยกัน คือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 2. วิริยะความเพียรพยายามปฏิบัติธรรม 3. ส, สติคือการระลึกรู้ 4. ส, สมาธิคือความตั้งมั่นในความสงบของจิตใจและ5ปัญญา ความรู้ความฉลาดแหลมคมที่จะใช้ในการกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจนี่คือคุณธรรมห้าประการที่เป็นกำลังของใจเป็นเหมือนน้ำมันของใจเป็นเหมือนน้ำมันของรถยนต์รถยนต์ก็ต้องคอยเติมน้ามันอยู่เรื่อ ย, อยนอกจากน้ำมันรถยนต์แล้วก็ยังต้องเติมลมให้กับยาง เติมน้ำมันเบรกเติมน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันชนิดต่างๆรถยนต์ถึงจะสามารถใช้การได้ดีสามารถนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางต่างๆได้จิตใจของเราก็ต้องการคุณธรรม5ประการนี้เพื่อที่จะนำพาจิตใจเราให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ให้เราเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ทังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะคอยเติมอยู่เรื่อยๆก็คือข้อแรกคือศ ร, ร, ร, ร, รัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะเติมศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างไรเราก็ต้องศึกษานี่ฟังเทศฟังธรมรมเบื้องต้นกะศึกษาพระพุทธเจ้าก่อน ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครท่านเป็นผู้วิเศษอย่างไรมีคุณความความสามารถอย่างไรทำไมเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าเราต้องศึกษาว่าพระเจ้านี้เป็นผู้ตัดสัลรทมคือพระอริยสัจ ส, สี่ตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ทำให้จิตใจของพระพุทธเจ้า หลดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยพระ อ, องค์เอง<ม>เป็นพออระอรหันตะสัมมาสามพุทธเจ้าอารหันต์ก็แปลว่าพูดเป็นผู้สิ้นกิเลส<ม>เป็นผู้สิ้นกิเลสด้วยตนเอง<ม><ม>คือไม่มีใครสอนเพราะไม่มีใครรู้วิธีที่จะทําให้กิเลสความโลภความโกรธความหลงหมดสิ้นไปจากใจได้ในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ เพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธศาสนายังไม่มีใครรู้วิธีที่จะทําให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการกําจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อไม่มีครูสอนก็เลยต้องค้นคว้าศึกษาค้นหาความจริงด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ค้นพบ ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาความโลภความอยากต่างๆความหลงต่างๆที่พาให้จิตใจต้องคอยมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจอยู่เรื่อยๆแต่พอได้ศึกษาได้ปฏิบัติและสามารถกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้จิตใจของพระองค์ก็เป็นจิตใจที่สะอ า, ารบริสุทธิ์เป็นจิตที่สิ้นกิเลส จิตที่สิ้นกิเลสเราเรียกว่าพระอารหรันต<ม>์แล้วก็ผู้ที่สามารถทำให้กิเลสหมดสิ้นไปจากใจได้ด้วยตนเองเราก็เลยเรียกว่าเป็นพระอารหันต์ตัสามมาสามพุทธเจา้า<ม>เป็นผู้ตัดสู้เป็นผู้กำจัดกิเลสได้ด้วยตนเองแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีพระเมตตานาเอาคำสั่งคำสอนมาเผยแผ่ให้กับผู้อื่นต่อไปด้วย พระพุทธเจ้านี้ก็มีอยู่สองชนิดด้วยกันมีพาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค<ม>ือตัดสัรู้ธรรมแล้วหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็ยังเอาก็ยังเอาความรู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้มาประกาศมาสั่งสอนให้กับผู้ได้หลุดพ้นด้วยอันนี้เป็นพาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่าพาระปเจกับพุทธเจ้า พระบาเจกพระพุทธเจ้านี้ตัดสรู้แล้วแต่ไม่สอนไขเก็บไว้อยู่ในใจสาเหตุที่ท่านก็ไม่ได้แสดงไว้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะมีสาเหตุหลายประการด้วยกันที่ทำให้ท่านไม่สามารถรือเห็นว่าไม่ไม่เกิดประโยชน์ที่จะนำมาสอนแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราที่หลังจากตัดสรู้แล้วในตอนต้น ใหม่ก็ไม่อยากจะสอนใครเพราะเห็นว่าธรรมะที่จะเข้าถึงนี้ <c oughs> มันเป็นธรรมะที่ค่อนข้างที่จะยากถ้าคนที่ไม่มีความมุ่งมัน่นไม่มีความปรารถนาหลุดพ้นจริงๆจะเข้าถึงได้ยากก็เลยคิดว่าคงจะไม่มีใครที่จะสนใจที่จะฟังคําสั่งคําสอนแล้วนําเอาไปปฏิบัติ แต่ก็โชคดีที่มีเท้ามาหาพรหมพอได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะไม่อยากจะสอนใครก็เลยมาอาราธนาขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้า <c oughs> ให้โปรดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งตัดสินใจหลังจากนั้นพระองค์ก็เลยท่งค่าควรพิจารณาดูสัตว์โลกก็ทรงเห็นว่าสามารถแบ่งไว้เป็นคนสี่กลุ่มด้วยกันที่เราเรียกว่าบัวสี่เหล่า ไม่เหมือนกันทุกคนไปคนที่จะเข้าถึงธรรมก็มีอยู่คนที่จะเข้าไม่ถึงธรรมก็มีอยู่พวกที่เข้าถึงธรรมก็มีอยู่สามชนิดด้วยปสามประเภทด้วยกันเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนี้เป็นพวกบัวเหล่าที่หนึ่งคือบัวที่อยู่เหนือน้ําพอได้รับแสงอาทิตย์ก็จะสามารถแปลงบานขึ้นมาได้พวกนี้ เป็นพวกที่พอได้ยินได้ฟังธรรมก็สามารถบรรลุได้เช่นพวกที่เป็นนักบวชอยู่แล้วเป็นพวกที่มีศีลบริสุทธิ์เป็นพวกที่เข้าสมาธิได้พวกนี้เขาก็จะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้พอไ ด, ได้ได้ปัญญาได้ยินเรื่องอริยสัจ ส, สีเรื่องไตรลั ก, กษณ์พระพุทธเจ้าเช่นครั้งแรกที่ทรงแสดงธรรมก็มีหนึ่งในพระปัญจวัคคี หลังจากฟังธรรมเสร็จก็บรรลุพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบัานได้จากการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเลยเพราะใจของท่านมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่แล้วพอได้รับปัญญาขึ้นมาซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างของดวงอาทิตย์ใจของท่านที่เป็นเหมือนดอกบัวก็บานขึ้นมา ท, าทันทีบรรลุธรรมขึ้นมาทันที อันนี้พวกที่หนึ่งเป็นพวกที่มีความสามารถที่จะรับธรรมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพวกที่สองนี้เป็นพวกที่เป็นนักบวชมีศีลที่บริสุทธิ์แต่ยังไม่มีสมาธิกำลังศึกษากำลังปฏิบัติขั้นสมาธิอยู่ใจยังยังไม่พร้อมที่จะนำปัญญาที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้ามาดับกิเลสไดต้ต้องใช้เวลาปฏิบัติ ให้ได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วก็เอาปัญญาที่พเจ้าได้ทรงตัดสโรนีมาสั่งสอนก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ตามลำดับต่อไปชนิดที่สมนี้เป็นพวกที่ยังไม่ได้บวชแต่เป็นพวกที่มีความเชื่อในศีลในในการรักษาศีลในการทำความดีต่างๆในการทำบุญทำทาน ก็คือพวกคารวะทุกคลองเรือนผู้ที่มีใจบุญใจกุศลชอบทําบุญทําทานชอบรักษาศีลแต่ยังไม่มีกําลังที่จะสามารถออกบวชได้ตรงนี้ถ้าได้มันรักษาศีลเพิ่มขึ้นไปอยู่เรื่อยๆทําบุญทําทานขึ้นไปอยู่เรื่อยๆต่อไปก็จะสามารถออกไปเป็นนักบวชได้แล้วพอเป็นนักบวชก็จะเรียนรู้วิธีอ รักษาศีลเรียนรู้วิธีนั่งสมาธิเรียนรู้วิธีเจริญปัญญาก็จะสามารถที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ตามลาดับต่อไปแ ต, แต่จะต้องใช้เวลามากกว่าพวกที่หนึ่งหรือพวกที่สองส่วนพวกที่สามนี้เป็นพวกที่ไม่ชอบไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่สนใจในเรื่องการรักษาศีล ไม่สนใจในเรื่องการทำบุญทำทานชอบหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเพียงอย่างเดียวพวกนี้ก็เป็นพวกที่ไม่สามารถที่จะสอนได้เพราะเขาจะปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่ เ, เป็นคำสอนที่ไม่ไม่จริงเป็นต้นไม่เชื่อไม่เชื่อว่า นลกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเป็นต้น mm hmm. เขาก็จะมุ่งไปสู่การหาความสุขในปัจจุบันคือหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปเรื่อยๆจะไม่ให้สนความสนใจกับการรักษาศีลการทำบุญทำทานหรือการนั่งสมาธิการฟังเทศฟังธรรมเลย mm hmm. ตรงนี้ก็ถือเป็นบัวที่ ไม่สามารถที่จะผุดโผล่ขึ้นมาได้คือเป็นบัวที่ยังอยู่ติดกับโคลนตมอยู่จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปเป็นส่วนใหญ่หลังจากที่ได้วิเคราะห์ดูคนที่จะรับคำมะของพระเจ้าได้แล้วพาะพทธเจ้าก็เลยมีพระเมตตาตัดสินใจจะนำธรรมนันะเสนนี้มาสั่งสอนแก่ผู้ที่มีความสามารถ ก็มุ่งไปพวกไปสอนพวกที่มีความสามารถมากที่สุดก่อนตอนแรกๆนี้ไปสอนพวกนักบวชตามสำนักต่างๆจนพอแสดงธรรมแต่ละครั้งก็มีผู้บรรลุธรรมได้ทันทีหลังจากที่ได้ฟังธรรมมีห้าร้อยรูปฟังธรรมพร้อมกันพอแสดงธรรมเสร็จห้าร้อยรูปก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้เลยตรงนี้เป็นพวกบัวเหนือนะ้ ต่อมาพวกบัวเหนือน้าหมดแล้วก็มาสอนพวกที่บัวปลิ่ม น, น้ำต้องใช้เวลาอีกสองสามวันน้ำบัวบัวถึงจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้ตรงนี้ก็เป็นพวกนักบวชแต่ยังขาดสมาธิก็สอนวิธีนั่งสมาธิไปก่อนพอได้สมาธิได้ชานแล้วพอสอนเรื่องปัญญาก็บรรลุได้ทันทีกลุที่สามก็คือพวกคารวญาณูนผู้คลองเรือน สอนให้หมันรักษาศีลหมันรักษาทำบุญธรรมทานไหวพ้พระสวดมนต์ฝึกนั่งสมาธิตามกํากลังไปก่อนฟังเทศฟังธรรมไปก่อนแล้ววันหนึ่งพอพร้อมที่จะออกบวชก็จะสามารถกลายเป็นบัวเหล่าที่สองบัวเหล่าที่หนึ่งได้ตามลําดับต่อไปอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สอนคือถ้าตัดสินใจว่าไม่สอนดีกว่าอยู่เฉยเฉยดีกว่าสอนแล้ว เ, นเหนื่อยไม่คุ้มค่าลงทุนไม่คุ้มค่าอย่างญาติโยมใช่จะทำธุรกิจอะไรนี่ถ้าลงทุนแล้วไม่ได้กำไรก็ไม่ลงทุนดีกว่าอยู่เฉยเฉยดีกว่าไม่ขาดทุนไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเงินที่จะไปลงทุนก็ยังสามารถเก็บเอาไว้ได้อยู่ แต่ถ้าไปลงทุนแล้วต้องขาดทุนหรื อ, อหรือเส้นเนื้อประดาตัวก็อย่าไปทำดีกว่าเก็บกันไว้ใช้มีน้อยๆมีน้อยๆก็ใช้น้อยๆตปชั้นใดก็เหมือนกันถ้าพระเจ้าคิดว่าการมาสั่งสอนสัสตร์โลกนี้เป็นการขาดทุนเนื่นๆเมื่อวล้เสียเวลาลวสอนไปแล้วก็ไม่มีใครบรรลุทำได้มีแต่พวกบัว บุราเหล่าที่สี่คือพวกที่จะชอบหาความสุขจากราบยศสารเสริเ<ม>พราะองค์ก็จะกลายเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าไปคือไม่เผยแผ่สั่งสอนพระธรรมที่ได้ทงตัดสุข<ม>ก็จะไม่มีใครในโลกนี้จะได้รู้เรื่องของพระอริยสัจสี่ไม่รู้เรื่องของตายลักไม่รู้เรื่องของมรรคแปดศีล ส, สมาธิปัญญาก็จะไม่มีใครสามารถที่จะ หลุพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเองยกเว้นคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าท่านั้นคือพวกพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเราเลยมีสองแบบสองชนิดด้วยกันอาหารหันต์ตถามมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดสรตวแล้วทรงสิ้นกิเลสแล้วแล้วก็เอานําความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกที่ไม่รู้ต่อไปอย่างพวกเรา นี่เป็นพระอาหารหันต์ตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระประเจกพะพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ไม่สั่งสอนใครตัดสรู้แล้วหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเป็นพระอาหารหันต์แล้วแต่จะไม่สอนใครเราก็เรียกท่านว่าเป็นพระประเจกาพะพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ว่ามีพร ะ, พระ พ, ระพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้อันนี้คือพระพุทธเจ้าสองชนิดด้วยกัน ส่วนพระอารหันต์นี้ก็มีพระอารหันต์อยู่สองชนิดด้วยกันคือพระอารหรันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าและพระอารหันต์สาวกอรหรันต์แปลว่าผู้สิ้นกิเลสอรหรันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้านี้แปลว่าผู้สิ้นกิเลสด้วยตนเองศึกษาค้นคว้าวิธีดับความทุกข์ต่างๆด้วยตนเองสามารถชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจได้ด้วยตนเอง ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าพาาระอรหันตธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปเจกะหรือเป็นพาาระอรหันตธรรมมาสามพุทธเจ้า mm hmm. ส่วนผู้ที่ได้ยินได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเรานี้เราได้ยินได้ฟังคําสอน mm hmm. วิธีการดับทุกข์ว่าเราต้องปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญา mm hmm. ถ้าเราปฏิบัติได้บรรลุได้ดูดพ้นได้ เราก็จะไม่เรียกตัวเราว่าเป็นพระอาหารหันตตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะเป็นพระอาหารหันตัสาวกคำว่าสาวกก็คือนักเรียนนักศึกษาแปลว่าผู้ฟังคำว่าสาวกนี้ภาษาบาลีแปลว่าเป็นผู้ฟังเป็นผู้เรียนรู้จากผู้อื่นเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนไม่ได้เป็นผู้ที่ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองต้องอาศัยครูบาอาจารย์อย่างพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอน ถึงบรรลุเป็นพระอารหันได้พวกนี้เราก็เรียกว่าเป็นพระอารหันตัสาวกอ่นี่คือเรื่องราวตัวอย่างเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเราต้องศึกษาต้องทําความรู้จักให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครท่านมีคุณมีประโยชน์ต่อพวกเราอย่างไรเมื่อเราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้ถึงคุณค่าอันมหาศาลของพระพุทธเจ้าแล้ว เราก็จะได้มีความศรัทธามีความเนื่องใสที่จะศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็มาศรัทธาในข้อที่สองคือศรัทธาในพระธรรมคำสอนเมื่อเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะมีศรัทธาที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าการที่เราจะชําระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจได้เราจะต้องมีอะไรบ้าง เราก็ต้องมีความ พ, ย, พยายามที่จะคอยสักพอ่อจิตใจของเราอยู่เรื่อยๆและทําที่เราต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้สักพอ่อจิตใจของเราให้สะอาดก็คือสติการละเลิกรู้สมาธิการตั้งมั่นอยู่ในความสงบและปัญญาความรู้ความฉลาดในอริยสัจสีในตายรักอนิจจังทุกขงังอนัตตานี่ นี่คือพระทําทำคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำอะไรถ้าเรามีศีลแล้วท่านก็จะไม่สอนท่านก็จะสอนต่อไปถ้ามีศีลแล้วก็ให้มามาจเจริญสติเพื่อคอยควบคุมใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าสมาธิให้ได้เมื่อใจเข้าสมาธิแล้วใจก็จะมีความสุขมีความอิ่มความพอ แล้วก็มีความนิ่งเฉยวางเฉยก็จะสามารถเอาความความสงบของใจนี้ไปสู้กับกิเลสตัณหาได้เวลาเกิดกิเลสตัณหาความโลภความอยากอะไรก็อยู่เฉยเฉยได้ไม่ต้องทําตามความโลภความอยากได้ถ้าเห็นว่าการทําตามความโลภความอยากแล้วเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นการนําความทุกข์เข้ามาสู่ใจเพราะสิ่งที่ กิเลสตัณหาโลภรู้อยากได้นั้นล้วนเป็นตายักทั้งนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่าเป็นของไม่เที่ยงทุกข์ว่าเป็นเพราะเป็นของที่เราไม่สามารถเก็บไว้ให้เป็นของเราไปได้ตลอดพอเห็นพอเห็นด้วยปัญญาว่าความทุกข์ใจเกิดจากกิเลสตัณหาความอยากต่างๆและสิ่งที่อยากได้ก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราว มันให้ความสุขได้ชั่วคราวเวลาเราได้อะไรมาใหม่ๆเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้แต่วันหนึ่งถ้าสิ่งนั้นเปลี่ยนไปรือจากเราไปสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ให้กับเราทันทีถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีอะไรอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากเป็นอะไรถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วก็มีกําลังของสมาธิหรือทำใจให้อยู่นิ่ง ให้หวางเฉยได้เวลาเกิดความทุกข์ความอยากเกิดความอยากเราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ความอยากนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจและสิ่งที่ทำให้ใจคิดว่าจะให้ความสุขกับใจสิ่งที่ใจอยากได้ก็เป็นความทุกข์เหมือนกันเพราะเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขดอนที่เราได้มาใหม่ๆแต่ต่อไปสิ่งที่เราได้มามันก็จะเปลี่ยนไปหรือจะหมดไปพอมันเปลี่ยนไปหรือหมดไป มันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจตอนต้นเร า, าเราอยู่คนเดียวเราเหงาเราอยากจะมีแฟนคิดว่าพอได้แฟนมาแล้วเราจะหายเหงาแล้วเราจะมีแต่ความสุขเวลาได้มาใหม่ๆก็มีแต่ความสุขความเหงาก็หายไปแต่ต่อมาแฟนเริ่มเปลี่ยนไปแฟนเคยรักเคยชอบเราเคยเอา อ, อกเอาใจเราเกิดเขาไม่ค่อยมาสนใจเราเกิดเขา ไม่มีเวลาที่จะให้กับเราความสุขที่เราเคยได้จากเขาตอนใหม่ๆก็หายไปสิ่งที่ตามมาก็คือความเสียใจความเศร้าใจตามมาแล้วเราก็ไม่สามารถไปห้ามเขาได้ไปสั่งเขาได้ไปบังคับเขาได้วันไหนเขามีเวลาหรือวันไหนที่เขามีอารมณ์เขาอยากจะดีกับเราเขาก็ดีกับเราวันไหนเขาไม่มีอารมณ์หรือไม่มีเวลาเขาก็จะไม่ ไม่ดีกับเราไม่สนใจเราชีวิตของเราก็เลยจะกลายเป็นสุก ส, สุขดิบๆไปบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์แล้วถ้าเกิดมีอุบัติเหตุมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาขึ้นมาเกิดเขาต้องถึงแก่ความตายไปก่อนอันวัอันสมควร<ม>เกิดอุบัติเหตุบ้างเกิดโรคภัยไข้เจ็บบ้างพอเขาตายจากเราไปทีนี้ความสุขที่เขาเคยให้กับเรานี้หายไปหมดเลย จะทิ้งไว้แต่ความเศร้าโศกเสียใจ mm. น, นี่แหละคือตัวอย่างของการเห็นสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ mm. ตอนต้นมันเป็นสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆมันเป็นสุขแต่ต่อไปมันจะเปลี่ยนไปหรือมันจะหมดไป mm. พอมันเปลี่ยนไปมันหมดไปความสุขที่ได้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปอันนี้จังไม่เที่ยงสิ่งต่างๆไม่เที่ยงสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันไม่ มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีก็ให้บางทีก็ไม่ให้เวลามันไม่ให้ความสุขกับเราเราก็เสียใจเศร้าโศกเสียใจพิจารณาตายลักต้องพิจารณาแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นตายลักทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญหรือความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่แน่นอนมีเกิดมีดับได้เป็นธรรมดามีเจริญมีเสื่อม มีมามีไปมีการสูญเสียมีการพลาดพลาดจากกันได้เสมอถ้าเราเห็นว่าจะมันจะเป็นทุกข์เราก็ว่าอยู่คนเดียวดีกว่าไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับใจที่มีสมาธิดีกว่าใจที่มีสมาธินี้สามารถอยู่ตามลาพังของตัวเองได้ใจที่มีอุเบกขามีความสุขในใจนี้ไม่ต้องมีอะไรก็ได้ก็อยู่อย่างมีความสุข แล้วก็จะไม่มีความทุกข์มาก่อควรจิตใจต่อไปอนี่แหละคือคุณธรรมที่เราควรที่จะสร้างกันเบื้องต้นเราต้องมีศรัท ธ, ธาความเชื่อก่อนว่าวิธีปฏิบัติของพระเจ้านั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องเป็นวิธีที่จะนำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้และคุณธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เราสร้างกันขึ้นมาก็จะเป็นเครื่องมือที่จะทาให้เรามีกาลัง ที่จะใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็คือท่านสอนให้เรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนแล้วในพระอริยสงสารกพระอริยสงสารโลกเราก็ศรัทธาว่าท่านเป็นคนธรรมดาเหมือนเรามาก่อนแต่พอท่านได้ยินได้ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เกิดศรัทธาความเชื่อเกิดความ ความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามคําสอนท่านก็พยายามทําตามที่พระเจ้าสอนพยายามเจริญสติพยายามนั่งสมาธิพยายามพิจารณาตายลักอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดท่านก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าได้เพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีคือปฏิบัติตามคําสอนทุกประการอย่างเต็มที่ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติอย่างถูกต้องเราก็ต้องเอาตัวอย่างของพระอริยสงสาวกที่ท่านได้บรรลุแล้วนี้มาเป็นแบบฉบับของเราพระอริยสงสาวกทุกรูปท่านมีวิริยะความพยมัญชนเพียรเริ่มต้นท่านมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสั่งคําสอนท่านก็น้อมเอาคําสอนที่พระเจ้าสอนให้ปฏิบัติมาปฏิบัติอย่างเต็มที่ สอนให้เพียรสร้างทําความเพียรสร้างสติขึ้นมาก็มันจเจริญสติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับสตินี้ต้องทําอย่างต่อเนือ่องตั้งแต่ตื่นจนหลับจึงจะสามารถควบคุมใจให้เข้าสมาธิได้พอมีสติที่ต่อเนื่องพอมานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบได้พอจิตเข้าสู่ความสงบจิตก็จะมีความสุขเกิดขึ้นมาชั่วคราว แล้วก็มีความนิ่งเฉยอยู่พอจากสมาธิมาพอเกิดมีความอยากได้ขึ้นมาจิตก็จะเห็นทันทีเลยว่าพอเกิดความอยากปับ๊บความอยากนี้เริ่มมาทําลายความสุขที่ได้จากความสงบแล้วต้องห้ามมันต้องคอยกําจัดมันแล้ววิธีจะห้ามจะ ก, กําจัดมันได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่มันอยากนั้นเป็นทุกข์อยากได้ลาบก็เป็นทุกข์อยากได้ยศก็เป็นทุกข์อยากได้สรรเสริญก็เป็นทุกข์ อยากได้รูปเสียงกลิ่นล้มาให้ความสุขก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเวลาได้ก็มีความสุขแต่พอเวลาได้มาแล้วมันหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาหรือเวลาอยากแล้วไม่ได้ก็ยิ่งก็ทำให้เสียใจทำให้ทุกข์ใจขึ้นมาฉั้นต้องหยุดความอยากอย่าไปทำตามความอยากพาะเห็นว่าความอยากนี้เป็นเหตุของความทุกข์เป็นตัวที่จะพาให้เราไปเจอกับความทุกข์ พอเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเรามีสมาธิมีกําลังของสมาธิมีอยเบิกขาสามารถอยู่เฉยๆได้วางเฉยได้วางใจให้นิ่งเฉยได้กิเลส ก, ก็ไม่สามารถทํางานได้พอใจบอกไม่เอาไม่เอาบ่าวให้ไปเที่ยวไม่ไปให้ไปหาเงินมาให้ร่ําให้รวยไม่เอารวยก็เป็นทุกข์ไปเที่ยวมาเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เพราะวันหนึ่งอาจจะอยากจะไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปก็ได้รวยก็อาจจะจนได้ เวลาจนขึ้นมาก็จะการเป็นความทุกข์ขึ้นมาสู้อยู่แบบนี้ดีกว่าอยู่แบบที่เรามีอยู่ตอนนี้เรามีความสุขจากความสงบนี้พอแล้วเอาความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงของพวกเราเราจะสามารถละ ก, กิเลสได้หมดกิเลสจะมาหลอกให้เราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ไม่ไปเพราะสิ่งต่างๆที่มันดอกให้เราไปหามันล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้ น, ล, น, น, น, นล้วนเป็นอนิจจังล้วนเป็นอนัตตาทั้งนั้น อ น, นิจจังก็คือของชั่วคราวอนัตตาเราก็ไม่สามารถเก็บไว้เป็นของเราได้ไปได้ตลอดมันไม่ได้เป็นของเราเป็นของยืมมาทั้งนั้นของที่เรามีอยู่ตอนนี้เดีย๋ยววันหนึ่งเจ้าของเขาก็จะมาขอคืนไปนี่คือมองด้วยปัญญาเอามองด้วยปัญญาได้ก็จะละละความอยากได้หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้หมดจิตก็บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นพระอรหันหตสาวกขึ้นมาทันที นี่คือเรื่องของกำลังใจที่เอานำมาฝากท่านในวันนี้ให้ท่านเอามาเติมกันอยู่บ่อยๆเริมศรัทธาให้มีเพิ่มมากขึ้นเติมความเพียรให้มีความมากขึ้นเติมสติให้มีมากขึ้นเติมสมาธิให้มีมากขึ้นเติมปัญญาให้มีมากขึ้นถ้าเรามีคุณธรรมเหล่านี้แล้วใจของเราก็จะมีพลังมีกำลังที่จะเอาไปต่อสู้กับปิเลตันหาให้หมดสิ้นไปยากใจได้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสําหรับการแสดงธรรมในวันนี้ในลําดับต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างเราก็ต้องมาทํากันด้วยความเพียรพยายามยากง่ายก็ต้องทํายากก็ทําง่ายก็ทําอย่าปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆมาอ้างว่าไม่มีเวลาทําพวกเราทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดพระพุทธเจ้า ป้าอาหารท่านก็มี24ชั่วโมงเหมือนพวกเราพวกเราก็มี24ชั่วโมงอยู่ที่ว่าเราเอาช่วงเอาเวลานี้ไปทําอะไรกันถ้าเราเอาเวลาไปทําตามกิเลสเราก็จะไปหาความทุกข์กันถ้าเรา เ, าเวลาไปทำท ำ, ทำตามทำที่พระเจ้าทรงสอนให้ทําเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันดังนั้นวันนี้ต่อไปนี้เราจะมาเอาเวลาประมาณสั20ก20นาทีที่เหลืออยู่นี้ มาหาสมาธิกันมาทําใจให้นิ่งให้สงบกันมาสร้างความสุขทางใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญ mm hmm. การนั่งสมาธินี้ก็เพื่อทำให้ใจนิ่งให้สงบไม่ต้องการให้ใจรู้ให้เห็นอะไร mm hmm. การรู้ตายลักรู้อริยสัจสี่นี้ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนอ น, นั่งสมาธินี้เราต้องการหยุดความคิดหยุดความอยาก ต้องการให้จิตสงบมีความสุขจากการอยู่นิ่งๆเฉยๆเพื่อที่เราจะได้อาศัยเป็นที่พึ่งของเราเวลาที่เรามีความทุกข์เราก็สามารถเข้าสมาธิไปได้ือเวลาที่เราอยากได้อะไรเราก็ใช้สมาธินี้หยุดความอยากได้ดงั้นตอน เ, อเรานั่งนี่เราไม่ต้องการอะไรต้องการให้ใจนิ่งให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบอยู่กับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง แล้ก็มีอุเบกขาวางเฉยได้ปล่อยวางได้ไม่วุ่นวายไปไปกับใครใครจะทำอะไรใครจะพูดอะไรไม่เกี่ยวกับเราไม่เดือดร้อนถ้าเรามีสมาธิมีอุเบกขาปล่อยเขาไปนะต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันทำใจให้นิ่งการที่จะทำใจให้นิ่งนั้นต้องมีสติคือการเราเลือกรู้ให้เราเลือกรู้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้สงบอารมณ์นี้เราเรียกว่ากรรมฐาน เช่นพุโทโธพุธโทโธนี่เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งหรือดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกือที่หน้าท้องก็เป็นกรรมฐานอย่า ง, งห่รือสวนมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไปภายในใจก็เป็นกรรมกรรมฐานอย่างหนึง่งเราต้องเอาสติคือสติคือการระลึกรู้นี้ให้ให้รู้อยู่กับอารมณ์เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึง่งถ้าเราใช้ลมไม่ได้ยังไม่มีกำลังที่จะดูลมได้ ยังไม่มีกำลังที่จะพุทธโธได้ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์บทสั้นบทยาวก็ได้แต่ต้องสวดบ่อยๆสวด น, นานๆสวดไปจนกว่าจะมีสติพอที่จะทำให้เราสามารถมาดูลมได้หรือมาพุทธโธได้เราก็หยุดการสวดแล้วเราก็เปลี่ยนมาดูลมที่ปลายจมูกหรือดูลมที่หน้าท้องหรือบริกรรมพุทธโธพุโทโธไปถ้าเราผูกใจด้วยสติคือการะ เ, เลกรู้ให้อยู่กับ กรรมฐานไปอย่างเดียวไม่ไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งใจก็จะเข้าสู่สมาธิได้แล้วใจก็จะนิ่งจะสงบมีความสุขแล้วมีพลังไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆไม่หิวกับอะไรต่างๆไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นมีความสุขในตัวแล้วเป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริงแล้วถ้ามีความสงบจะไม่หิวกับเงินทองไม่ลาบยศสรเสริญแต่อย่างใดแล้วพอเราออกจากสมาธิมา เขากิเลสมาหลอกให้เราไปห า, าลาภยศสรรเสริญหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เราก็สอนใจว่าอย่าไปเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวถ้าไปแล้วเดี๋ยวเวลาได้มาแล้วเกิดมันหมดไปมันจะทำให้เราทุกข์อยู่กับความสงบ ด, ดีกว่าอยู่กับการอยู่เฉยๆดีกว่าด้วยสมาธิ น, นี่คือวิธีการนั่งให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมไปหรืออยู่ ก, การสวดมนต์ไป อะไรปรากฏขึ้นมาอย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจเสียงดังเข้ามาก็ไม่ต้องไปสนใจมีภาพปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องสนใจมีความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจให้ผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆแล้วใจจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาและจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างแน่นอนแล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันกับเวลาที่เหลืออีกประมาณ23านาทีด้วยกัน เอตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วเป็นอย่างไรบ้างได้ผลดีไหมสงบไหมถ้าสงบก็ให้จดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วคราวต่อไปเวลามานั่งก็ใช้วิธีนี้นั่งต่อไปได้เลยก็จะได้ความสงบเหมือนวันนี้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกําลังน้อย ควรจะหัดเจริญสติในระหว่างวันให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับพยายามฝึกด้วยการบริกรรมพุโทโธไปในใจก็ได้หรือเฝ้าดูการกระทําต่างๆของร่างกายไปก็ได้แล้วต่อไปเราจะมีสติมากขึ้นและเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหันุราปาลิกปุริติสักลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปะิตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเริตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติ ภราสยทัสสะพิทยวิวัจันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวัตวันตรายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิตสานิจังุทธะปจายิโนจตารโหธรรมาวทานเตอายุวันโอสุขัง อ, อช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลยเพราะถ้ามาถามตอนหลังจะไม่สะดวกที่จะตอบเพราะไม่มีเวลาว่างอยากจะถามต้องถามตอนนี้ถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กลับเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมหนากุติจากทางเฟ e บุ๊ k พระอาจารย์สุชาติ258ท่าน YouTube พระสุชาติ l ล v e 308 YouTube Dr.V 47วิทยุออนไลน์8 c l ค b ับ u ฮ e 1์หนึ่งนากุติ170รวมทั้งหมด792ท่านค่ะเดี๋ยวมีชาวต่างชาติอยากจะทางทาง่าน You have a n น question Okay. Um, thank you, Prajna. I had a question about death. Um, so, at the point where the body is dying, uh, what would be a good object of attention? If it is it the breath, and what, and then what happens if the breath is no longer uh, available to to watch? What would be, uh, you know, a good object? The goal is to leave the body alone. Just let it be. If it's gonna breathe, let it breathe. If it's gonna stop, let it stop. Because there's nothing you can do anything about it. So the best solution for you is to just observe, like a doctor observing a, a patient. That's all. Don't react to whatever the body is doing. Just be merely watching. This is the way of letting go of attachment and prevent the suffering to arise. If you want the body to continue on, then you can have suffering. But if you just let it be, if it's gonna still be breathing, let it breathe. If it's gonna stop breathing, let it stop. Just, just detach yourself from the body. Separate yourself from the body. You are not the body. You are the you are the mind, the one who knows, the one who thinks. But you have delusion. You think the body is you, so you have this grasping and attachment to this body. Want to keep the body forever because you thought that if the body dies, you would die with the body. But in fact, it's not the it's not the case. You continue on as a spirit, a spiritual being, and. If you still have attachment and cravings, you'll go look for a new body, and start the recycle again. That's all. If you have wisdom and you say having a body is suffering, then you stop going after a new body, then you take no no rebirth. Once there is no rebirth, there is no aging, sickness, and death. So the goal is to stop your mind by practicing meditation, to stop your mind from attached to anything. When the mind enter into samadhi or calm, it let go of everything temporarily. And when start to, when you come out of samadhi, and you start to become attached to anything, you have to use wisdom to teach you that anything that you attach to will cause you suffering, because they don't last. You will lose them one day. So it's better just to leave them alone. Okay. Anything else? That's good. That's Thank it. You. Huh? Thank okay. you. o a y Do we have other questions? Do you have any questions? No, he speaks Russian. So, what about you? Do you have any question to ask? No. Okay. m a y b e m a y b e Okay. No. Okay. o k a y o o a k คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะการบริจาคเลือดให้ยุงนี้สามารถอุทิศบุญกุศลให้ผู้ล่งรับได้หรือไม่ครับก็ได้ก็เป็นทานอย่างนึงเหมือนกันแต่มันน้อยมากมันไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึงหยดเดียวนะคอะคำถามจากทาง Facebook ค่ะถ้าเราเคยทำผิดศีล แต่ตอนนี้กลับใจมาบวชรักษาศีลเราจะยังต้องตกนรกหรือไม่คะก็แล้วแต่ว่าตอนที่เราตายไปบาปกับบุญอันไหนจะมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่า บ, บุญก็ยังไปนรกได้อแต่ถ้าเราทำบุญให้มากกว่า บ, บาปเวลาไปเราก็ไม่ต้องไปอาบายไม่ต้องไปนรกเราก็จะไปสวรรค์ได้คำ <c oughs> ถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะทำอย่างไรถึงจะรอดพ้นและป้องกันการถูกคุนสายได้คะ ไม่มีหรอกมันเป็นความเชื่อเฉยๆแค่นั้นเองป้องกันก็คือให้มีสติดีๆถ้ามีสติมั่นคงอะไรจะมาหลอกเราเราก็ไม่เชื่อเราก็ไม่หลงตามที่ที่ไปเชื่อไปหลงตามเพราะเพราะไม่รู้ความจริงแล้วไม่มีสติพอใครเขาว่าเป็นอะไรก็เชื่อตามเขาไปแต่ถ้ามีสติแล้วทําใจให้นิ่งๆเฉย ๆ, ๆไม่มีใครจะสามารถมาหลอกมาดึงใจให้ไปไปเป็นอะไรได้เลย าจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะขอเรียนถามค่ะข้อที่หนึ่งเป็นไปได้ไหมคะที่คนธรรมดาจะรู้ว่าคนนี้คนนั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งถึงสิบในอนาคตตัวเราเองยังไม่รู้ตัวเราเองเลยจะไปรู้เรื่องคนอื่นได้ยังไงดูว่าตัวเราเองจะไม่ต้องกลับมาเกิดได้หรือเปล่าก่อนแล้วกันคําถามจากทาง Inbox ค่ะ เวลาเราไปวดัดพระจะให้เราสมาทานศีลอยู่เสมอการกล่าวสมาธิในกรณีที่เราเป็นคนรักษาศีลห้าอย่างสม่าเสมอเวลาพระนําให้เราสมาทานศีลการกล่าวสมาทานศีลอีกจําเป็นไหมคะหรือเราเงียบๆไว้เคยได้ฟังมาว่าถ้าหากเรามั่นใจว่ารักษาศีลห้าได้แล้วไม่จําเป็นต้องสมาทานศีลใหม่มันจะทําให้ศีลที่เราสะสมมายหยุดลงแล้วกลับไปนับหนึ่งใหม่อีกครั้ง การไม่สมาทานใหม่จะทําให้เป็นการสะสมต่อเนื่องไปจึงจะดีกว่าแบบนี้ถูกต้องตามพระตรปิดกหรือไม่คะไม่จริงแล้วศีลที่เราสะสมไว้มันก็สะสมต่อไปเราเรารักษาเพิ่มเราก็ได้ศีลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการสมาทานนี้เป็นพิธีกรรมท่านเองเป็นธรรมเนียมที่เวลามีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็ให้ถือศีลให้ถือพระพุธทธเจ้าธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะไม่ได้หมายความว่าเรามาเริ่มต้นใหม่ การการกระทํานี้ก็ทําไปตามพิธีกรรมเป็นธรรมเนียมไปแล้วความจริงมันอยู่ที่ว่าเรามีศีลแล้วหรือยังมีศีลแล้วก็มีศีลจะเป็นสมาทานใหม่หรือไม่มันก็ยังมีศีลอยู่เหมือนเดิมของเก่าที่มีอยู่ก็ไม่โหดหายไปไหนดังนั้นไม่ต้องกังวลอันนี้เป็นเพียงพิธีกรรมไม่มีผลต่อจิตใจของเราโดยตรงแต่อย่างใดคําถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ ตัวเราเองจะปล่อยวางความทุกข์ให้เร็วได้อย่างไรครับมีวิธีฝึกอย่างไรครับก็อยู่เฉยๆอย่าคิดอย่าพูดอะไรอย่าทำอะไรนั่งเฉยๆคำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะคนส่วนมากมักสแสวง มักสแสวงกันไปขอพรตามสถานที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นขอให้ถูกหวยขอให้สําเร็จหรือขอให้หายป่วยอยากเรียนถามพระอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยได้จริงไหมครับไม่จริงหรอกาศาสนาพุทธนิสอนให้ทําไม่ใหสอนให้ขออยากจะได้อะไรต้องทําต้องปฏิบัติอยากไปสวรรค์ก็ต้องทําบุญทําทานรักษาศีลห้าอยากจะไปนิพพานก็ต้องถือศีลแปนั่งสมาธิจเจริญปัญญา ขอไม่ได้ของพวกนี้ต้องทำเอง <c oughs> คำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะกรณีความเชื่อของคนอีสานเกี่ยวกับผีปอบกรณีมีอยู่จริงไหมกรณีนี้มีอยู่จริงไหมครับหากมีจริงเขาจัดเป็นดวงจิตประเภทไหนครับคือผีนี่มันก็มีสองแบบผีจริงกับผีหลอกผีจริงก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยเวลาร่างกายตายไปใจของเราก็กลายเป็นดวงวิญญาณ เราก็เรียกว่าผีแต่ดวงวิญญาณนี้เขาก็จะไปอยู่ตามภพตามภูมิของเขา<ม>ไปสวรรค์บ้างไปอบายบ้างเขาจะไม่มีเวลามาหลอกเรา<ม>ส่วนส่วนผีที่มาหลอกเราก็คือผีในใจเราเราคิดไปเองพอไปอยู่คนเดียวที่ไหนเงียบๆหน่อยเห็นอะไรไหวหน่อยขึ้นมาออกผีมาแล้วหรือ<ม>ได้ยินเสียงอะไรก็ว่าผีมาแล้วความจริงงานนี้เป็นเป็นจิตหลอนของเราเองแล้วหลอกตัวเราเอง ของจริงไม่มาเสียเวลาหลอกเราไม่ต้องไปกลัวเรื่องผีปลอบผีอะไรทั้งสิน้นมันเป็นผีปลอมผีหลอกไม่ใช่เป็นผีจริงมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีเวลาถามได้นะเพรยังมีเวลาอยู่คือผีนี่ส่วนใหญ่ที่เราที่เรารู้สึกว่ามีผีเพราะเราคิดไปเองเรามีความกลัวความกลัวเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว พอเราไปอยู่ที่เงี ย, งยบๆที่เปลี่ยวหน่อยพอได้ยินเสียงอะไรแปลกๆขึ้นมาเห็นอะไรแปลกๆขึ้นมาก็โยนให้เป็นผีไปเลยเท้านั้นเองแต่คนที่เขาไม่กลัวเขาไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเขาก็อยู่ของเขาไปในกรณีทีถ่ถ้าเรากลัววิธีไล่ผีไปก็คือให้ทั้งพุทธโธธรรมโอสังโฆไปทั้งพุทธโธธรมโอสังโฆพุทธโธธรมโอสังโฆไปหรือส่วนบทอิติปิโสไปสวดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะสงบ พอใจสงบแล้วผีก็จะหายไปมันเกิดจากจิตหลอนของเราเองจิตเราหลอกตัวเราเองปรุงแต่งขึ้นมาเองพอเราทําจิตให้สงบปั๊บมันการปรุงแต่งก็หายไปผีก็หายไปไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากความกลัวความกลัวที่เกิดจากความไม่รู้ความจริงตอนนี้เรารู้ความจริงแล้วว่าไม่มีอะไรเราผีจริงเขาก็มาทําอะไรเราไม่ได้เขาก็ไม่อยากจะมาทาอะไรเราเขาอยากจะไปเกิดไปผุดไปเกิดตามภพ ต, ตามอะไรของเขา ส่วผีที่มาหลอกเราก็ไม่มีจริงเป็นผีที่ใจเราสร้างขึ้นมาเองพอเราหยุดใจให้หยุดสร้างมันได้ผีก็จะหายไปด้วยการสวดบู์ไปด้วยการบริกรรมพุทโธธรรมโอสังโฆไปคําถามสักทางเฟซบุ๊กค่ะแค่ศีล ห, ห้าไปนิพพานได้ไหมเจ้าคะศีลห้าไปไม่ถึงนิพพานปิดแค่ประตูบายคือปิดประตูบายไม่ให้ต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานไม่ต้องไปตกนรก แต่ถ้าจะไปนิพพานนอกจากศีลห้าแล้วต้องเพิ่มเป็นศีลแปดแล้วก็นั่งนั่งสมาธิแล้วก็ต้องเจริญปัญญาถึงจะสามารถไปถึงพระ น, นิพพานได้คําถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะชาวไทยทรงดําต้องทําพิธีเส้นไหวบ้บรรพบุรุษโดยใช้หมูในการเส้นไหว้อยากทราบว่าบรรพบรุษจะได้บุญนั้นจริงไหมคะไม่ได้หรอกเพราะทํำบาปไม่ได้เลยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เดีที่เขาเรียกวสีลับพัฒาปรมากรำพิธีกรรมเพื่อบรรบาตความทุกข์หรือเพื่อส่งความสุขให้กับดวงวิญญาณไปต้องทําบุญอย่าไปทําบาปถ้าอยากจะให้ดวงวิญญาณได้รับผลบุญเราต้องทําบุญทําทานใส่บาตรบริจาคเงินให้โรงพยาบาลโรงเรียนอะไรเป็นต้นเหล่านี้ทําแล้วเราก็จะได้บุญขึ้นมาคือความสุขใจพอใจเรามีความสุขแล้วก็สามารถแบ่งความสุขใจให้กับดวงวิญญาณได้ ดวงวิญญาณที่ติดค้างอยู่ก็สามารถไปสวรรค์ได้จากบุญที่เราส่งไปคําถามจากทางโยธูพระอาจารย์สุชาติค่ะอยากให้พระอาจารย์แนะนําผู้ที่ยังขาดความเพียรใ น, นการปฏิบัติครับก็ให้คิดถึงความตายบ่อยๆชีวิตเราไม่แน่นอนอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้งั้นเวลานี้เรามีเวลาว่างให้รีบขยนันทำความเพียรเสียตั้งแต่แตบัดนี้เพราะไม่มีใครมารับประกันได้ว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือไม่ นึกถึงความตายเรื่อยๆแล้วมันจะไม่ประมาณมันจะรีบทําความเพียนต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นไปตามกำลังคําคถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะดิฉันมีความเหนื่อยล้าทางจิตใจยอย่างมากจากปัญหาใกล้ตัวต่างๆที่เผชิญความไม่สบายใจและเหนื่อยใจทําให้นั่งสมาธิได้ยากกว่าเมื่อก่อนจะมีอุบายอย่างไรคะที่ทําให้ใจสงบเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นค่ะฟังเทศฟังธรรมไว้ก่อนศึกษา พประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์นองปู่มั่นอะไรทำนองนี้อาา่านหนังสือเรล่านี้แล้วจะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาคำถามจากทาง Facebook ค่ะลูกสามารถเดินจงกรมแบบเดินกลับบ้านแล้วกำหนดการเดินดูการก้าวแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะเดินให้มีสติแบบไหนก็ได้ให้ใจเราอย่าลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่การเดินของเราไป คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเวลาเวลาที่นั่งสมาธิเราตัวโยกเราควรเริ่มสมาธิใหม่หรือนั่งต่อไปเลยคะก็หยุดโยกมันที่มันโยกเพราะเราไม่มีสติก็ใช่ดึงสติกลับมาให้ได้ใช้พุทโธพุทโธดึงกลับมาพอมีสติแล้วมันก็จะไม่โยกคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะขอเรียนถามครับข้อที่หนึ่งสติสัมปชัญญะ สติสัมปัชญญัญยะทั้งสามคำเหมือนกันและต่างกันอย่างไรครับ <ste ep> คือการ ส, สติแปลว่าการระลึกรู้สัมปัชัญยะเป็นหมายความว่าต่อเนื่องถ้าเรามีสติสัมปัชัญญะก็แสดงว่าเรามีการระลึกรู้อย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับสิ่งที่เราระลึกรู้อยู่เ <ste ep> ช่นพุโทโธอย่างนี้เป็นต้นเรีว่าสติสัมปัชัญญะถ้าไม่มีสัมปัชัญยะเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเผลอไปคิดเรื่องนี้สติก็หายไป ถ้าอยากให้มีสติต่อเนื่องเราก็ต้องมีผูกใจให้อยู่กับพุทโธอย่าให้หายอย่าทิ้งพุทโธไปแล้วเราก็จะมีสติสัมปชัญญะข้อที่สองสติที่พระอาจารย์พูดถึงคือสติสัมปสติสัมปชัญญะหรือสัมมาสติใช่ไหมครับถ้าเป็นสติสัมสติสัมปชัญญะก็เป็นสัมมาสติถ้ายังเป็นสติแบบน้มลุกคุกคานอยู่ก็ยังเรียกไม่ถือว่าเป็นสัมมาสติ ข้อที่สามขณะที่มีสติเราสามารถกระทาความผิดได้หรือเปล่าครับเช่นมีสติแต่ไปทำร้ายกันถ้ามีสติมันก็จะไม่ทำร้ายถ้ามีปัญญาด้วยหรือต้องรู้ว่าการทำร้ายผู้อื่นนี้เป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นการกระทาที่ไม่ควรจะทาถ้ามีสติเราก็หยุดมันได้แต่ถ้าเราไม่มีการรู้ว่าการทำร้ายผู้อื่นนี้เป็นบาปไม่ควรทำเราก็อาจจะไปทำได้ทำทำด้วยสติด้วยก็ได้ เนื่ต้องมีทั้งสติมีทั้งปัญญารู้ผิดถูกดีชั่วด้วยรู้ว่าจะทำอะไรมันผิดหรือถูกดีหรือเชื่อถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดมันได้คาถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะการดูกายกับดูจิตตัวเราเองจะรู้จริตของตัวเราเองว่าเหมาะสมกับการดูกายหรือจิตได้อย่างไรครับอ๋อไม่เกี่ยวกับจริตหรอกการดูกายดูจิตนีเบื้องต้นต้องดูกายก่อน ดูกายเพื่อสร้างสติขึ้นมาให้จิตนั่งสมาธิเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบเข้าสมาธิได้แล้วถึงค่อยไปดูจิตอีกทีนึงถ้ายังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิมองไม่เห็นจิตไม่รู้ว่าจิตอยู่ตรงไหนดงั้นเบื้องต้นให้ดูกายเพื่อเพื่อสร้างสติขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งสมาธิให้จิตเข้าสมาธิพอจิตเข้าสมาธิแล้วจิตก็จะเริ่มเห็นตัวจิตทีนี้ก็เฝ้าดูจิตว่าสร้างความทุกข์ให้กับเราหรือเปล่าถ้าสร้างก็หยุดมันเท่านั้นเอง คำถามจากทาง youtube ดกเร์ค่ะนั่งสมาธิดูลมค่ะเรารู้สึกเบาไม่มีร่างกายเหลือแต่ลมแต่เราควรพิจารณาลมไปเรื่อยๆหรือต้องปฏิบัติต่ออย่างไรคะให้ดูลมไปเรื่อยๆไม่ต้องพิจารณาอะไรอย่าคิดให้รู้เฉยๆให้จิตรวมใจข้างามันนิ่งสงบไม่มีอะไรเหลืออยู่มีแต่ความว่างแล้วมีแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ การไปช่วยงานศพนี้เป็นบุญไหมครับก็เราจะไปช่วยแบบไหนถ้าไปช่วยแล้วขนเขาของข้าวขนของกลับบ้านก็ก็ไม่ได้บุญถ้าไปเราต้องเสียสละแบ่งปันทั้งประโยชน์ประโยชน์สุข์ของเราให้แก่ประโยชน์สุขของผู้อื่นไม่ใช่ไปเพื่อหวังที่จะเอาของชำรวยบ้างของของฝากบ้างของอะไรบ้างบางทีงานนี้แจกหนังสือจากแจกอะไรเครื่องรางของของัง ถ้าไปแบบนี้ก็ไม่ได้ไปเพื่อทำบุญไปเพื่อไปเพื่อทำความโลภไปเราอย่าไปหวังผลประโยชน์จากการไปของเราเราไปเพื่อทำประโยชน์เพื่อไปช่วยผู้ที่เขาเสียอกเสียใจให้เขามีกำลังใจให้เขามีความสุขบ้างว่าไม่มีใครทอดทิ้งเขาคาถามจากทาง facebook ค่ะ พอบริกรรมพุทโธไปเรื่อยจนเห็นคําบริกรรมเป็นเส้นตรงคือผิดทางถูกไหมเจ้าคะลูกควรทําเช่นไรต่อเจ้าคะอย่าไปเห็นว่ามันเป็นเส้นตรงให้เห็นให้เห็นคําบริกรรมให้รู้ว่าเรากําลังบริกรรมอยู่ถ้าเราไปเห็นเส้นตรงนี้แสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับคําบริกรรมนะไปอยู่กับเส้นตรงให้อยู่คําบริกรรมไปเรื่อย receive. ไม่ต้องเห็นอะไรเป้าหมายก็คือให้มันว่างให้จิตมันว่างไม่ไม่มีอะไรให้เห็น หมดแล้วใช่ไหมอีกคำถามนึ่งค่ะผูาถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะที่เกี่ยวกับพิธีเส้นไหว้ของชนเผ่าไทยทรงดำค่ะที่ใช้หมูในการเส้นไหว้เขาถามว่ามันเป็นความเชื่อของชนเผ่าเราจะแนะนำเขาอย่างไรให้งดการเส้นไหว้นั้นคะถ้าเขาถามเราก็แนะนำได้ถ้าเ็าไม่ถามก็ไม่ต้องแนะนำเดี๋ยวก็จะหาว่าเสื่อม โอ okay. เคอาท่านนี้นะสำหรับวันนี้ <Okay. S 1> <laughs> ขอให้ท่านจงนำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้วาวาหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิุ